ทำเป็นเหตุให้ยศเจริญยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาดไคร้ควรก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาทในที่นี้ได้ทำเกตประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการไครควรก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาท ความเพียร น, นั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทํางานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความบากมันมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทํางานสติคือความรอบคอบและความระวังจะทําจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาด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 โรดดูในที่นั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งเจดประการนี้ยศนั้นท่านจําแนกไว้าสามคือหนึ่งอิสรยยศความเป็นใหญ่สองเกียรตยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมากสบริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในที่นี้พระธักถาอาจารย์ขยายความว่าได้แก่หนึ่ง วกสมบัติสองความนับถือสามความมีเกียรติและสี่ความสันเสริญเรื่องกุมภะโคสกะกุมภะโคสกะเป็นบุเศษธีเมืองราชเครือมีทรัพย์สี่สิบโกดคือเท่ากับสี่ร้อยล้านคราวหนึ่งไอฮิวาตะกโรคกระบาดหนักสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์ พวกทาดและกรรมกรก็าตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลังเมื่อไอฮิวาตากะโลกจับเศรษฐีและพันยาเขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้ำตามองดูบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพังกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าตรงพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงยายพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้สี่สิบโกดเลี้ยงชีพต่อไป เด็กน้อยเชื่อมารดาบิดาร้องไห้ไหว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปไปอยู่ณนภะูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึงสิบสองปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จําเขาไม่ได้ก็ตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและครารุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังซับเห็นยังเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จําเราไม่ได้ถ้าเรากุดซับออกชายซอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่า คนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพ์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอยากกระนั้นเลยเราเก็บทรัพไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้วกุมพระโคสกะก็ออกหางานทำไปได้งานรับจ้างปลูกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลูกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนขุงต้มข้าวสวยข้าวยาโูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆห ล, ล, ลังหนึ่ง อยู่คนเดียวรวมกว่าว่ากุมพระโคสกะไปได้งานเป็นแขกยามเขาได้ทําหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่เคยบกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สลับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกุมพระโคสกะจึงตร่าว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพมากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้าที่ใกลคิดว่า พระราชาคงมิจัดอะไรเหลวไหลเป็นแน่จึงรีบสั่งคนผู้หนึ่งไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทํางานพระราชาทรงสลับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สามเมื่อทรงสลับเสียงของกุมภ์พระขัวสกะก็ตรลาดเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยจอดอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่ จึงทูลพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สัตพันหนึ่งข้าพระองค์จัดไปทําอุบายเอาทรัพย์จากชายนั้นมาสู่ราชสกุลให้จนได้พระราชาพิงพิสารพระราชาทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปันๆทําทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้ว ได้ไปขออาศัยกุมภะโคสกะซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมได้ไปขออาศัยอยู่บ้านกุมภะโคสกะเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมภะโคสกะยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภะโคสกะจะออกไปทางานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารไว้สำหรับทำอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทากินเองก็ได้ฉันทากินของฉันเองมาตลอดกุมภะโคสกะบอกปัด แต่เธออ้อนวอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภะโฆสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักแใ่ว่ารับไว้เท่านั้นนางเลยไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาสเสวยเมื่อกุมภะโฆสกะกลับมาได้ริมรถอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมภะโฆสกะอนุญาตด้วยความพอใจ นางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมภะโกสกะและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมานางวางอุบายเพื่อให้กุมภะโกสกะตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมภะโกศกะคือเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมภะโกศกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมภะโกศกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไร นางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตนทั้งสองได้สวรรา์กันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมจะหนูผู้เป็นแม่ถามกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วค้าแม่กุมารีบอกช่างเธอลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วกุมภาโคสกะมีเมียเพราะเชือกเตียงขาดแท้ต่อมาอีกสองสามวันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาว่า พระหมีพระบรมราชาองค์การให้จัดงานมหรศพในย่านถนนพวกรับจ้างทางานคนใดไม่จัดทามหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชองค์การอย่างนั้นนายจึงพูดกับคุมพะโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทำจะถูกปรับพวกเราจะต้องทาตามพระบรมราชองค์การขาดขืนไม่ได้คุมพะโคสกะาบอกแม่ยายว่า เขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานมือมือเท่านั้นเจ้าเงินที่ไหนมาจาัดงานมหัศกแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช่หนี้เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสักหนึ่งกะหาพนะหรือสองกหาพนะก็พอกลุ่มภคโคสกะตีเตียนแม่ยาย พ, พึมพำพลางออกจากบ้านไปนากหาพนะกที่ฝังไว มาหนึ่งกะหาปนะและมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกะหาปนะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไปสองสามวันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหรพอีกกุมภะโคสกะต้องไปนำกะหาปนะมาหนึ่งกะหาปนะอีกนางได้ส่งกะหาปนะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีสองสามวันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาสั่งคนมารับกุมภะโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศ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 นางสนมเห็นดังนั้นจึงทําทีเป็นขูดตะข้อกราชบุตรว่าพวกไม่มีมัญญติเมื่อสมควรฉุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมพระโคสกะว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีลูกนาไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเใหม่แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่นส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตน กุมภคโคสกะถูกฉุด ก, กระชากลากถูมาฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตอบถามว่าเจ้าชื่อกุมภคโฆสกะหรือพยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภคโคสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพยาา์พยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงขีพปุยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภคโคสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอก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 พูดไปเถอะกุมภโคกสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้กุมภโคสกะเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยต่อแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดซับไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไรมีสี่สิบกฎพระเจ้าค่ะควรเอาอะไรไปขนมาเวียนพระเจ้าค่ะ พระราชารับสั่งให้อาเวียนไปขนรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระรามหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชพฤกษ์มาประชุมกันแล้วตรัสถามว่านในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าข้าราชดรนโทนควรทําอย่างไรกับกุมภะโคสกะควรยกย่องเขาพระเจ้าค่ะพระราชาทรงแต่งตั้งตําแหน่งเศรษฐีให้กุมภะโคสกะพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นพันยาแล้ว เสด็จไปสนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมภะโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภะโคสกะเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์ถึงสี่สิบปดก็ไม่มีอาการเยอ่อยิ่งอวดตนไม่มีความทะนงตัวทำตนประดุดคนเข็นใจนุ่งผ้าเก่าๆทางานรับจ้างอยู่ ที่ถนอนอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนรับจ้างแต่แล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระศ า, ศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นป่านนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศ า, ศาสดาตรัสว่ามหาวพิษชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภะโกสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนจรกรรมเป็นต้นเป็นปลายเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้น ย่อมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทําอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่คือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ควรด้วยปัญญาแล้วจึงทําสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังนี้แล้วตรัสย้ําพระพุทธภาษิตว่า อุท่า น, นะวะโตสติวะโตเป็นต้นดังได้อธิบายมาแล้ว